าดาดเดือนหลังแห่งปีสุดท้ายแห่งการศึกษาของข้าพเจ้านั่นเองเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าซึ่งตลอดเวลามาจนถึงบัดนี้ความรู้สึกชนิดนั้นไม่เคยเกิดขึ้นในใจของข้าพเจ้าเลยเวลานั้นข้าพเจ้าเป็นหนุ่มเต็มที่แล้วเรื่องของเด็กหนุ่มดูเหมือนจะหลีกเรื่องหญิงสาวให้ผลได้ยากจากสำนักอาจารย์ไปไม่ไกลนัก มีข้า บ, บดีผู้มั่งคั่งคนหนึ่งชื่อทีคุพัญญาชื่อสุชาณีเป็นคู่ครองที่รักกันมากและอัธยาศัยดีทั้งสองคนตระกูลนี้คุ้นเคยกับอาจารย์มากเมื่อมีเวลาว่างมักมาสนทนากับอาจารย์เสมอและเมื่อมีธุระอะไรเป็นพิเศษอาจารย์มักใช้ข้าพเจ้าให้ไปที่บ้านของทีคุและสุชาณีเป็นประจำข้าพเจ้าได้รับคําชมเชยจากท่านทีคุ และภัญญาต่อหน้าอาจารย์เสมอว่าเรียบร้อยสุภาพมีน้ำใจรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ที่ต่ำที่สูงซึ่งรวมแล้วก็ว่าเป็นเด็กดีซึ่งตามคำชมนี้ทำให้ข้าพเจ้าอดกระยิมในตัวเองไม่ได้รู้สึกภาคภูมิและอิ่มใจมีแก่ใจที่จะทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าถูกใช้ให้ไปที่บ้านของขหบดีผู้นี้เสมอ ตั้งแต่ปีแรกที่ข้าพเจ้ามาอาศัยอยู่ในสำนักอาจารย์ท่านทั้งสองกรุณาปราณีข้าพเจ้าเหมือนลูกหลานมักจะให้ของเล็กๆน้อยๆเสมอจะเป็นเพราะเอ็นดูข้าพเจ้าว่าเป็นเด็กยากจนหรือเพราะทั้งสองไม่มีบุตรธิดาเลยข้าพเจ้าหาทราบไม่หรือจะเป็นเพราะเหตุทั้งสองอย่างบวกกันข้าพเจ้ามักถือโอกาสทำอะไรเล็กๆน้อยๆให้ท่านทั้งสองเสมอและท่านก็มักชมว่า ขปเจ้าทํางานเป็นค่าแต่ท่านผู้เจริญความลําบากตราตรํำ ม, มาแต่เล็กแต่น้อยการต้องช่วยพ่อแม่ทํางานมาตั้งแต่พอจับทําอะไรได้นั้นเป็นบทเรียนที่มีค่ายิ่งทําให้ขพเจ้าอดทนและทํางานด้วยความรอบคอบเรียบร้อยมีบ่อยครั้งที่เมื่อทราบแน่ว่าจะมีการพักเรียนสองวันหรือสาวัน ท่านทีคุและสุชาณีจะขออนุญาตท่านอาจารย์พาข้าพเจ้าไปรับประทานอาหารที่บ้านและค้างที่นั่นข้าพเจ้าจำคำสอนของอาจารย์และปฏิบัติตามเสมออาจารย์เคยสอนข้าพเจ้าว่าสุมาณะเมื่อไปอาศัยบ้านผู้อื่นเธอพึงทําตนให้ประกอบด้วยคุณลักษณะหประการคือ 1. พึ่งตื่นก่อน 2. พึ่งนอนทีหลังหรือถ้าจะนอนก่อน ก็ได้รับอนุญาตแล้ว 3. พูดจาแพร่ออนหวาน 4. ขคอยเอาใจใส่ฟังและสอบถามอยู่เสมอว่าเจ้าของบ้านจะมีทุระให้เราช่วยเหลืออะไรบ้าง 5. พึงเป็นคนมีหน้าตายิ้มแย้มจาใสไม่เงางอาบูดบึ้งเมื่อถูกใช้หรือเขาขอความช่วยเหลือในกลางปีสุดท้ายที่ข้าพเจ้าจะสำเร็จการศึกษา ข้าพเจ้าได้พบหญิงงามคนหนึ่งที่บ้านท่านธีคุนั่นเองข้าพเจ้าประหลาดใจที่ตลอดเวลาไม่เคยพบเธอเลยเพิ่งมาพบเอาในระยะหลังข้าพเจ้าคิดว่าเธอคงมาจากที่อื่นอาจเป็นญาติของเจ้าของบ้านหรืออะไรสักอย่างหนึ่งท่านธีคุได้แนะนําให้เรารู้จักกันเพียงว่าข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาวิชาแพทย์ส่วนเธอผู้นั้นเป็นหลานของท่านเอง เราไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากนะักเพียงต่างคนต่างก็รู้กันเท่าที่ท่านธีคุณแนะนำเท่านั้นไม่เคยพูดอะไรกันมากไปกว่าฐานะคนรู้จักหนึ่งเดือนผ่านไปและวันหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าถือเป็นวันที่สะพานระหว่างเธอและข้าพเจ้าถูกทอดให้ประสานกันคือวันนั้นเวลาค่อนข้างเย็นมากแล้ว อาจารย์ได้ใช้ให้ข้าพเจ้าไปหาท่านทีขุด้วยกิจธุระบางอย่างเมื่อข้าพเจ้าขึ้นบนเรือนข้าพเจ้าได้ยินเสียงครางเบาๆจากภายในห้องห้องหนึ่งท่านทีขุนั่งอยู่ที่ชานเรือนส่วนสุชานีซึ่งข้าพเจ้าเรียกท่านว่าคุณป้านั้นคงจะอยู่ในเรือนข้าพเจ้าสงสัยว่าป้าสุชาณีจะป่วยเป็นไข้พอท่านทีขุเริ่มมาเห็นข้าพเจ้าเข้าเท่านั้นท่านมีอาการดีใจออกนอกหน้า พักถามเรื่องธุระอะไรเสร็จแล้วท่านพูดขึ้นว่าสุมณะมาเหมาะทีเดียวนึกว่าจะไปหาอาจารย์อยู่เรียนถามถึงอาการของโรคนูน่นท่านชี้มือเข้าไปในห้องจันทที่มาหลานของลุงกําลังป่วยมาตั้งแต่บ่ายให้รับยาบ้างแล้วอาการทุเลาขึ้นแล้วกลับเป็นอีกเมื่อสักครู่นี้เองเธอลองเข้าไปตรวจดูหน่อยจะได้ไหม เรียนวิชาแพทย์มาแล้วเหมือนกันนี่ท่านกล่าวพลางลุกขึ้นยืนแล้วเดินเข้าไปในห้องข้าพเจ้าได้ยินเสียงป้าและลุงพูดกันอยู่ครู่หนึ่งแต่ไม่ทราบพูดอะไรบ้างฟังไม่ชัดแล้วลุงก็เดินออกมาบอกให้ข้าพเจ้าเข้าไปดูอาการข้าพเจ้าเข้าไปด้วยความเต็มใจแต่ทําไมหัวใจมันจึงเต้นผิดปกตินักข้าพเจ้าคิดวันวันว่าเรียนยังไม่ทันสําเร็จ จะต้องทดลองใช้วิชาเสียแล้วหรือนอกจากนี้คนไข้ารายแรกของข้าพเจ้าเล่าช่างทำความหนักใจแก่ข้าพเจ้าเหลือเกินเธอเป็นหญิงสาวสวยแม้จะไม่ไว้ตัวนักแต่ก็มีท่าทีน่าเกรงขามอยู่ข้าพเจ้ารวบรวมกำลังใจถามอาการป่วยของเธอด้วยกริยาสั้นๆทราบว่าเธอปว่วยสีสะอย่างมากข้าพเจ้าเห็นจันทิมามีเหงือผุดขึ้นตามบริเวณหน้าผาก และเหมือนละอองน้ำค้างในเวลาเช้าข้าพเจ้าตรวจอาการนิดหน่อยแล้วลองประกอบอยาตามที่เคยศึกษามานึกว่าถ้าไม่หายก็ไม่เป็นไรคงไม่เสียชื่อเพราะอาจารย์ของข้าพเจ้าก็ยังอยู่ข้าพเจ้าเป็นเพียงนักศึกษาเท่านั้นและเป็นเพียงแก้ขัดไปที ขบพเจ้ากลับมาสู่สำนักอาจารย์เมื่อกราบเรียนเรื่องธุระของท่านเสร็จแล้วขบพเจ้าได้ถือโอกาสเล่าเรื่องที่ขบพเจ้ารักษาคนไข้ให้ท่านอาจารย์ทราบทีแรกรู้สึกท่านแสดงอาการประหลาดใจตื่นเต้นเล็กน้อยแต่เมื่อท่านทราบถึงการผสมยาการให้ยาครบถ้วนแล้วท่านอาจารย์ยิ้มออกมาได้พร้อมกับพูดว่าส ม, มณะเธอให้ยาถูกต้องแล้ว วินิจฉัยโรคตรงใช้ได้พราดาเอ๋ยคําพูดของอาจารย์เพียงเท่านี้ก็ให้เกิดความปราบปลื้มแก่ข้าพเจ้าอย่างล้นเหลือทําให้ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นในตนเองข้าพเจ้าก้มลงกราบท่านอาจารย์ด้วยความเคารพรักอย่างสุดซึง้งวันรุ่งขึ้นท่านอาจารย์ได้ใช้ข้าพเจ้าให้ไปดูอาการของจันที่มาตั้งแต่ตอนสายซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเหลือเกิน ข้าพเจ้าตอบไม่ได้เลยท่านผู้เจริญว่าทำไมข้าพเจ้าจึงดีใจเมื่อไปถึงบ้านข้าพเจ้าเห็นจันทิมานั่งอยู่หน้าบ้านตรงนั้นมีลานหญ้าเขียวขจีพอเห็นข้าพเจ้าเข้าเท่านั้นอาการเห็นความลิงโลดใจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าอันงามของเธอเธอตรงเข้ามาทักทายข้าพเจ้าบอกว่าโรคปร่วยศีรษะของเธอเมื่อวานนั้น หายไปแล้วตั้งแต่ข้าพเจ้าจากไปแล้วสักครู่ใหญ่ๆเธอแสดงอาการสนิทสนมมากขึ้นกว่าที่เคยเชิญให้ข้าพเจ้านั่งนำน้ำมาให้ดื่มข้าพเจ้าเกือบลืมไปว่าท่านธีคุและคุณป้าสุชาณีอยู่บนบ้านหรือไม่จนกระทั่งจันที่มาบอกว่าคุณลุงและคุณป้าไม่อยู่ออกไปธุระแต่เช้านั่นแหละข้าพเจ้าจึงนึกขึ้นได้ว่าเวลานี้ กาบเจ้ากำลังอยู่ในบ้านกษับดีผู้ยิ่งใหญ่แห่งตักกศิลาวันเวลาล่วงไปความสนิทสนมของเราก็ยิ่งทวีขึ้นตามลำดับท่านธีคุสุชาณีตลอดถึงท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าก็รู้เรื่องนี้แต่ท่านก็เฉยเฉยมิได้ห้ามปรามข้าพเจ้าและจันทิมาความรู้สึกของเราจากหมอกับคนไข้มาเป็นเพื่อนต่างเพศ และมันเริ่มจะเปลี่ยนแปลงเป็นความรักของเด็กหนุ่มเด็กสาวข้าแต่ท่านผู้ไม่หลงไหลในบวงมานเขาพเจ้าได้รักษาจันทิมาให้หายโรคทางกายแต่เขาพเจ้าทราบดีว่าโรคใจกําลังเกิดขึ้นแก่เขาพเจ้าตั้งแต่วันรุ่งขึ้นจากวันนั้นแล้วเขาพเจ้าทราบภายหลังว่าจันทิมาเป็นหญิงสาวชาวกัมีูชาเธอมีพี่น้องหลายคน มารดาของเธอเป็นน้องแท้ๆของท่านทีคุเนื่องจากท่านทีคุไม่มีบุตรหรือธิดาเลยจึงขอจันทิมาต่อ น, น้องสาวมาอยู่ด้วยและท่านทั้งสองก็รักเธอดังดวงใจพระดาเมื่อรู้ว่าจันทิมาเป็นชาวกัสมีระท่านก็คงพอนึกออกว่าเธอจะงามสักปานใดผิวขาวละเอียดอ่อนมารยาทงาม วาจาอ่อนหวานละมุนละไมก่อความชื่นบานให้เกิดแก่บรุษผู้เข้าใกล้โดยเฉพาะข้าพเจ้าคนหนึ่งละที่ยอมรับคำกล่าวนี้ว่าเป็นความจรงิงข้าพเจ้าเองเจียมตัวอยู่เสมอว่าเป็นคนยากจนไม่ปรารถนาที่จะเอื้อมดาบนท้องฟ้าแต่ใจของข้าพเจ้าถูกกระชากให้หมุนติ้ววกวนอยู่แต่เรื่องของเธอเธอเองก็ปฏิพัฒน์ในตัวข้าพเจ้าอยู่ไม่ใช่น้อย เมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้าเร่งวันเวลาเพื่อให้ศึกษาสําเร็จแล้วจะได้เดินทางกลับสู่ปิตุภูมิสู่อ้อมอกของมารดาบิดาและอยู่กับพี่สาวอันเป็นเท่รักคนเดียวของข้าพเจ้าแต่มาบัดนี้ข้าพเจ้าคิดถึงแต่อ้อมอกของจันทิมาอันเป็นเท่รักยิ่งวันเวลามันช่างล่วงไปเร็วเสียเหลือเกินวันหนึ่งท่านอาจารย์เรียกข้าพเจ้าเข้าไปหา ท่านบอกว่าการศึกษาของข้าพเจ้าเหลือเวลาอยู่อีกเพียงเดือนเดียวเท่านั้นความจริงข้าพเจ้าสําเร็จการศึกษาสองเดือนมาแล้วแต่ให้อยู่ต่อเพื่อศึกษาเคล็ดลับบางประการและเพื่อความชํานาญในการรักษาโรคเคล็ดลับอันนั้นท่านได้บอกข้าพเจ้าแล้วหรือข้าพเจ้าจะสมัครอยู่ต่ออีกสักหกเดือนหรือหนึ่งปีจะพอใจหรือไม่ ประโยคหลังนี้ท่านพูดทิ้งท้ายยังมีความหมายและท่านมีอาการยิ้มยิ้ม ท, ทั้งทั้งที่ข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์พูดล้อเล่นว่าจะให้อยู่ต่อไปอีกสักหกเดือนหรือหนึ่งปีที่สำนักของท่านแต่ข้าพเจ้ากลับพูดจริงๆว่าข้าพเจ้าประสงค์จะอยู่กับท่านอาจารย์ต่อไปอีกรู้สึกว่าวิชาแพทย์ที่เรียนกับท่านอาจารย์นั้นข้าพเจ้ายังมีความรู้น้อย น่าจะไม่พอแก่ความต้องการเมื่อห่างอาจารย์ไปแล้วและต้องทํางานแต่ลําพังอันหนึ่งข้าพเจ้าเมื่ออยู่กับท่านอาจารย์นานปีเมื่อจะจากไปให้รู้สึกอาลัยยิ่งนักท่านอาจารย์ยิ้มยิ้มเหมือนจะรู้เบื้องหลังเหงคํากล่าวของข้าพเจ้าแต่ท่านไม่พูดว่าอะไรท่านกลับนั่งหลับตาเฉยเฉยครู่หนึ่งผ่านไปท่านลืมตาขึ้น มีท่าทางเอจริงโอจังมากกว่าก่อนท่านพูดว่าซุมมะนะเธอจะต้องออกเดินทางในสิบห้าวันข้างหน้านี้ในโลกนี้ไม่มีใครรักหรือหวังดีต่อเธอเท่ามารดาบิดาเมื่อเธอยังอะไรในเราหรือใครก็ตามเธอก็ยังจะกลับมายังตะกศิลานี้ได้อีกมิใช่วันเวลาจะสิ้นสุดลงเพียงวันนี้หรือพรุ่งนี้มารดาบิดา กำลังคอยการกลับของเธออยู่ท่านทั้งสองเป็นผู้มีอุปการะมากต่อลูกมีทางใดที่เธอพอจะทําตอบได้ก็ให้ตั้งใจทําด้วยความเคารพและสำนึกคุณคนอื่นอาจจะรักเมื่อเราได้ดีมีสุขและมีท่าทางว่าจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายหน้ามิฉะนั้นก็ต้องมีประโยชน์ต่อเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอาจจะกลายเป็นความหลอกลวงในภายหลังได้ แต่ความรักของมารดาบิดานั้นบริสุทธิ์ผ่องใสลูกจะเป็นอย่างไรก็อดที่จะรักนี้ได้เธอจะรักใครก็อย่าให้ความรักนั้นเหนือความรักความกตัญญูที่มีต่อบิดามารดาคนดีคนงามคนสวยนั้นหาได้ในที่ทุกสถานแต่มารดาบิดามีเพียงสองคนเท่านั้นจะหาอีกไม่ได้ในโลกนี้หรือในโลกไห น, ไหน ถ้าเธอประสงค์จะเรียนวิชาแพทย์เพิ่มเติมก็ขอให้ไปหาพระมหาเถระรูปหนึ่งณเวลุวันกรุงราชคลึนั่นเองท่านเป็นอาจารย์ของเราด้วยพระดาโอววาเตือนสั้นๆของอาจารย์ทำให้ข้าพเจ้ารำลึกถึงพระคุณของมารดาบิดา แต่ใจหนึ่งรู้สึกอาลาัยจนที่มาเหลือเกินเราเพิ่งรู้จักกันไม่กี่เดือนแต่ความรักความหวงแหนดูเหมือนจะมากล้นพ้นประมาณเมื่อท่านอาจารย์กำหนดให้ออกเดินทางภายในส5ห้าวันและข้าพเจ้าก็ตกลงใจแน่นอนที่จะกลับสู่มาตุภูมิแล้ววันหนึ่งเวลาเย็นข้าพเจ้าไปบ้านของท่านธีคุช่างบังเอิญเข้าข้างข้าพเจ้าเสียจริง ท่านทั้งสองไม่อยู่แต่จันที่มาอยู่เราไปคุยกันในสวนหลังบ้านมันเป็นสวนที่กว้างใหญ่มากมีไม้ดอกไม้ผลนานาพันธุ์จัดแจงปลูกไว้อย่างเป็นระเบียบดูงามตามีลานหญ้าเคี้ยวขจีตัดเรียบเป็นแห่งๆสำหรับนั่งพักในยามเย็นหรือในราตรีที่มีจันแจ่มฟ้าถัดออกไปอีกนิดหน่อยมีลำธารไหลเอื่อย น้ำใสสะอาดมองเห็นทรายขาวละเอียดกลิ่นดอกไม้ในสวนสายน้ำในลานําธารลานหญ้าอันเขียวสดแล้วยังมีจันที่มาผู้ลําเพาพักอยู่เคียงใกล้ถ้าคํากล่าวที่ว่าความสุขของมนุษย์ต้องมีสิ่งเหล่านี้คือน้ําอันใสสะอาดลานหญ้าอันเขียวสดและสตรีงามนั้นเป็นคําที่ถูกต้องล้วก็ เวลานี้ข้าพเจ้ากำลังเป็นเจ้าของแห่งสิ่งนั้นทุกประการข้าพเจ้าจะไม่มีความสุขความเพลิดเพลินได้อย่างไรข้าพเจ้าเกือบลืมไปว่าข้าพเจ้ามาบอกข่าวเรื่องจะเดินทางไปกรุงราชคลึ้ให้เธอทราบแต่เมื่อราตรีจวนจะคืบคานเข้ามาซึ่งหมายถึงการที่เราจะต้องจากกันด้วยแล้วข้าพเจ้าก็แข็งใจบอกเธอว่าจนที่มา ถ้าเราจำเป็นต้องจากกันชั่วคราวเธอจะรู้สึกอย่างไรรู้สึกว่า่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปชั่วคราวเธอตอบถ้าเราจำเป็นต้องจากกันตลอดไปละ่ะรู้สึกว่า่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปตลอดการแต่ภาวะเช่นนั้นจะมีได้หรือสุมณนะฉันไม่เชื่อว่าเราจะต้องจากกันตลอดการ เรื่องที่จะต้องจากกันชั่วคราวนะ่ะฉันรู้มาก่อนแล้วเพราะเธอไม่ใช่คนที่นี่เธอมาเป็นนักศึกษาเมื่อเรียนจบแล้วเธอจะต้องคิดถึงมารดาบิดาและกลับสู่มาตุภูมิก่อนบางทีฉันอาจจะไปกะเกษมีระเหมือนกันเพื่อเยี่ยมเยียนมารดาบิดาแต่ไม่ใช่เวลานี้ท่านผู้เจริญกัพเจ้าชอบใจที่จันที่มาเป็นหญิงใจแข็งและมีเหตุผลเหนืออารมณ์ แต่เมื่อข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าจะต้องออกเดินทางเร็วๆนี้เหลือเวลาอยู่อีกสองวันเท่านั้นอาการของเธอเริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นเศร้าซึมมีท่าทางตรึกตรองเราได้ฝากรักซึ่งกันและกันด้วยความอาลัยอาวรณ์ยิ่งนักเมือ่อข้าพเจ้าบอกลาและลุกขึ้นยืนนั่นเองเธอได้เข้ามายืนเคียงข้าพเจ้าอย่างใกล้ชิดดวงตาอันสดใสของเธอ เออไปด้วยน้ำตาข้าพเจ้าประคองเธอแต่แผ่วเบาพลางปลอบใจให้หายกังวล ว, ว้าเหวแม้เราจะรักกันเหมือนอะไรก็ตามแต่เราทั้งสองพยายามคมใจไม่ให้ล่วงละเมิดประเพณีอันดีงามที่มารดาบิดาและอาจารย์ได้เคยสั่งสอนไว้ข้าพเจ้านึกถึงเกียรติของหญิงอันเป็นที่รักแม้มีโอกาสจะล่วงเกินได้ แต่ข้าพเจ้ามิได้ทำเลยรู้สึกเธอดีใจและไว้ใจข้าพเจ้ามากเมื่อจะจากกันจริงๆแล้วเธอก็พูดออกมาว่าซุมนณะเธออย่าลืมคนไข้เก่าของเธอนะแววเนตรอันหวานซึ้งใบหน้าเ อ, อิบอิ่มแต่เศร้าหมองลงเพราะต้องพลัดพรากจากคนอันเป็นที่รักของจันทิมาทำให้หัวใจของข้าพเจ้าตีบตันสันสะเทือน อ่อนระหโหยรยแรงแม้เธอเองก็มีอาการไม่แพ้ขปเจ้าปัญหาเกิดขึ้นเพราะความรักมันเหมือนดึงเชือกอันผูกมัดหัวใจของเราทั้งสองไว้ให้ขาดสะบั้นลงเมื่อขปเจ้าก้าวออกจากบ้านนั้นได้พบท่านทีคุและสุชาณีซึ่งกลับจากกิจธุระบางอย่าง ข้าพเจ้าได้กราบลาท่านด้วยความเคารพท่านทั้งสองได้กรุณามอบสินของบางอย่างให้ข้าพเจ้าเป็นที่ระลึกและอวยพรให้เดินทางด้วยความสวัสดีท่านหวังว่าข้าพเจ้าคงกลับมาเยี่ยมตักกศิลาบ้างอีกตามโอกาส ในที่สุดวันออกเดินทางก็มาถึงบัดนี้ขพเจ้าเป็นบัณฑิตจากตักกศิลาเป็นแพทย์ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือคนเจ็บป่วยอาจารย์ได้ให้โอวาดอันจับใจยิ่งแต่ขปเจ้าจะต้องถือเป็นสมุดคู่มือในการเป็นแพทย์จนตลอดชีวิตโอวาทของอาจารย์มีดังนี้สุมนมะแพทย์กับพระมีเรื่องที่จะต้องทาเหมือนกันคือการเยียวยา บำบัดโรคของประชาชนต่างกันแต่เพียงว่าแพทย์เป็นผู้บำบัดโรคทางกายส่วนพระบำบัดโรคทางใจเท่านั้นส ม, มุนะแพทย์ที่ดีย่มอมเคารพในวิชาที่ตนศึกษามาไม่ประพฤติตนเหลวไหลเสพเพรอันเป็นเหตุให้สุขภาพเสื่อมโทรมเพราะเหตุนั้นซึ่งจะเป็นทางมาแห่งการเยียดหยามของประชาชนว่าดูเถิดเป็นแพทย เที่ยวรักษาคนไข้แต่ไม่รู้จักรักษาสุขภาพแม้ของตนเองหมอต้องพยายามรักษาสุขภาพอนามัยให้ดีอยู่เสมอจึงจะทําให้คนทั้งหลายเชื่อถือและเมื่อเยื่อหยันใหญ่ัยในที่ลับหลังในทํานองเดียวกันพระที่ดีย่อมต้องรักษาสุขภาพจิตของตนไม่ให้เสื่อมโทมอันเป็นทางรั่วไหลมาแห่งอกุศลทุจริต มีจิตใจเศร้าหมองเพราะโลคจัดโทสะจัดและหลงไหลมัวเมาทุจริตทางกายและวาจาต้องงดเว้นได้เด็ดขาดถ้ายังประพฤติ ท, ทุจริตอยู่ละไม่ได้แม้เพียงความชั่วอย่างหยับหยาบอยู่ก็จะเป็นทางมาแห่งการเหยียดยามจากประชาชนว่าดูโอเถิดแม้ท่านเป็นสมณนะยังละไม่ได้ซึ่งความชั่วแม้เพียงเท่านี้สุมนะุณะ แพทย์ที่ดีต้องมีเจตนาบริสุทธิ์มีความหวังดีต่อประชาชนมีเมตตากรุณาต่อเขาเพราะเขาเหล่านั้นกําลังได้รับทุกข์เพราะความเจ็บป่วยอยู่ขั้นหนึ่งแล้วถ้าแพทย์มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ไม่หวังดีต่อเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจขาดเมตตากรุณาอันแท้จริงแล้วย่อมขูดรีดประชาชนผู้ป่วยไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ได้อย่างหน้าตาเฉย โดยวิธีเลี้ยงโลกไว้เอาเงินบ้างแนะนำในทางผิดผิดบ้างให้ยาชนิดราคาถูกแล้วเรียกค่ายาราคาแพงบ้างหมอชนิดนี้ย่อมประสบบาปมากกว่าบุญมากนักเป็นการทำร้ายคนผู้ไม่มีทางสู้ในทํานองเดียวกันพระที่ดีต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ต่อประชาชนมีความหวังดีต่อประชาชน มีเมตตากรุณาต่อเขาด้วยความจริงใจคนส่วนมากยังเป็นคนโง่ต่อาศาสนาและการดำเนินชีวิตพระจะต้องให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาไม่หลอกลวงประชาชนเพื่อให้ได้ลาบสการะไม่ชักนำประชาชนให้งมงายประชาชนส่วนมากยอมรับอยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่รู้เรื่องของาศาสนายังโง่ต่อเรื่องของการดำเนินชีวิต และแล้วก็มอบความไว้วางใจให้แก่พระในศาสนาที่ตนนับถือช่วยแนะนําบอกเล่าทิศทางผิดทางถูกต้องการความอบอุ่นใจเมื่อประสบทุกข์ถ้าพระมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ขาดความรู้ที่แท้จริงแม้ในศาสนาที่ตนประกาศอยู่โบกด้วยการอยากได้ลาบผลมาบำเรอตนด้วยแล้วย่อมทําให้เป็นคนที่สามารถลบกลู้นคำสอนของพระาศาสดา นำเอาคำสอนอันไร้สาระมามอมให้ประชาชนหลงเชื่อแล้วเก็บเกี่ยวเอาลาบผลที่เขานำมาบูชาสักการะด้วยความหลงผิดนั้นอย่างนี้ก็เป็นการขูดรีดประชาชนผู้น่าสงสารผู้ขาดที่พึ่งทางใจแล้วยังถูกซ้ำเติมโดยสมณะที่เขาไว้วางใจอีกด้วยสมณะเอย๋ยการนิ่งเสีย ไม่ยอมทำอะไรยังพระเสริฐกว่าการชักนำบุคคลให้หลงผิดมันเป็นเรื่องหน้าบาัศสีเกินไปที่บุคคลผู้สละความสุขความสบายทางโลกซึ่งยากที่บุคคลจะสละได้แล้วมาเป็นคนคดโกงในทางศาสนาเป็นอยู่ด้วยการหลอกลวงคนอื่นอาศัยความโง่ของคนมาสร้างความมั่งมีสีสุขให้แก่ตนเองเมื่อเขาโง่ก็ควรแนะนาให้เขาฉลาดขึ้น นี่เป็นหน้าที่ไม่ใช่เมื่อเห็นของโง่และมีความต้องการอย่างโง่โงแล้วไปสนองความต้องการนั้นเสียทุกอย่างและก็มิใช่เพื่ออะไรอื่นแต่เพื่อเรียกร้องความนิยมเลื่อมใสเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงของตนเองอันมิใช่ความปรารถนาที่น่ายกย่องอะไรเลยการแนะนำคนให้หลงผิดนั้นเป็นโทษมากเหมือนคนวางลอไว้ดักปลานั้นทีเดียว เราเคารพอย่างยิ่งในพระาศาสดาท่านหนึ่งนั่นคือพระสมณโคโดมสักยบุตรพุทธเจ้าพระองค์ตำหนิาศาสดาที่สอนคนให้เดินทางผิดแนะนําให้ประพฤติผิดว่าเป็นเรื่องเลวร้ายมากดังครั้งหนึ่งพระองค์ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายในบรรดาผ้าที่ทอด้วยสิ่งเป็นเส้นๆกันแล้วผ้าที่ทอด้วยผมคนนับว่าเป็นผ้าที่เลวที่สุด ผ้าเกสกําพลนี้เมื่ออากาศหนาวมันก็เย็นจัดเมื่ออากาศร้อนมันก็ร้อนจัดสีก็ไม่งามกลิ่นก็เหม็นเนื้อก็กระด้างข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายในบรรดาลัทธิต่างๆของปุถุสัมมณะแล้วลัทธิมัคลิวาทะนับว่าเลวที่สุดฉันนั้นภิกษุทั้งหลายมัคลิโมฆะบุรุษนั้นมีถ้อยคำและหลักความเห็นว่า กรรมไม่มีกิริยาไม่มีความเพียรไม่มีเมื่อกรรมไม่มีผลของกรรมก็มีไม่ได้ทำอะไรก็เท่ากับไม่ทำภิกษุทั้งหลายคนเขาวางเครื่องดักปลาไว้ที่ปากน้ำไม่ใช่เพื่อเกื้อกูลแต่เพื่อความทุกข์ความวอดวายแก่พวกปลาทั้งหลายชั้นใดมคลมริโบมขบหรษเกิดขึ้นในโลกเป็นเหมือนกับผู้วางเครื่องดักมนุษย์ไว้ ไม่ใช่เพื่อความเกื้อกูลแต่เพื่อความทุกข์ความวอดวายแกสัตว์ทั้งหลายเป็นอันมากฉันนั้นสมณะอีกข้อหนึ่งสมณะที่ดีย่อมรู้จักเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อสมณะที่มีพรรษาอายุมากกว่าไม่ถืออชาติโคดและความรู้มาเป็นเครื่องทนนงตนหลอกล้อนตนเองให้ขาดสัมมาคาระวะต่อผู้ใหญ่เหนือตนมีมรรยาทงาม มีวาจาสุภาพรู้จักเหตุผลตนประมาณการบุคคลและสังคมว่าในที่ไหนในภาวะอย่างไรควรจะทำอย่างไรในทานองเดียวกันแพทย์ที่ดีต้องมีความเคารพอ่อนน้อมทอมตนต่อแพทย์ที่สูงกว่าตนโดยไหวหรือโดยความรู้และโดยคุณธรรมไม่อวดตัวทนงตนอันเป็นเหตุให้แตก้า้ในบรรดาเพื่อนที่มีอาชีพเดียวกัน พยายามสมานไมตรีต่อกันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันเป็นต้นสมณะอีกข้อหนึ่งสมณะที่ดีย่อมวางตนเหมาะสมตามวัยความรู้คือเมื่อมีวัยสูงขึ้นก็ประพฤติตนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอเหมาะพอควรแก่วัยไม่ใช่ล่วงไปแต่วัยเท่านั้นแต่ความประพฤติและความรู้สึกนึกคิดยังเป็นเด็กอยู่ตามเดิมเข้าแบบที่เขาเรียกว่า เป็นเด็กที่มีอายุมากเท่านั้นตรงกันข้ามย่อมประพฤติและวางตนเหมาะสมให้เป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่หน่าเกรงใจคารบกราบไหว้ของผู้น้อยเพราะสมณะสักยบุตรย่อมคารบกันตามลำดับพรรษาผู้มีพรรษาน้อยต้องคารบผู้มีพรรษามากจึงจำเป็นต้องวางตนให้สมควรแก่การรับความคารพของผู้อื่นสมณะผู้น้อย ย่อมประพฤติตนให้หน้าเมตตากรุณาในทานองเดียวกันแพทย์ก็ต้องเป็นผู้วางตนให้เหมาะสมแก่วัยความรู้และฐานะของตนพิจารณาตนอยู่เสมอเพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องมีความสำนึกสูงใกร้ ใ, รในธรรมเว้นการประกอบมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดกระทำตนให้เป็นที่นิยมไว้ใจของผู้อื่น เหล่านี้ล้วนเป็นทางแห่งความสำเร็จในชีวิตทั้งสิน้นส ม, มุนนะขอให้เธอประสบความสำเร็จและเดินทางโดยปลอดภัยอาจารย์ของข้าพเจ้ากล่าวในที่สุด